ท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเม่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2558เป็นวันที่ท่านทลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อเสริม เสริมงคลให้แก่ชีวิตด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงแสดงไว้ในมุงคลศส่วนว่าอาเซวนาจาบาลานังบันดิตานันจาเซวนาเอตังมังกลมมตตัมังการไม่คบคนผ่านคนง่อหนึ่ง 2. การคบบัณฑิตคนฉลาดเป็นความสิริมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิตความเป็นสิริมงคลก็คือการ ม, มีความสุขความเจริญความปรารถนาความทุกข์ความเดือดร้อนความเสียหายต่างๆเรียกว่าความเป็นสิริมงคล ความเป็นเสด็มงคลจะเกิดขึ้นได้ก็ อ, อยู่ที่การกระทำของเราทางกายทางวาจาและทางใจถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีความทุกข์ความเสื่อมเสียความอับประมงคลก็จะตามมาถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีความสุขความเจริญ ความเป็นเสวิอมองคลก็จะตามมาทีนี้การที่เราจะคิดดีหรือคิดไม่ดีอยู่ที่ว่าเราครบกับใครถ้าเราครบกับบัณฑิตคบกับคนฉลาดเราก็จะคิดดีเพราะบัณฑิตจะคิดแต่คิดดีพูดดีทำดีเมื่อเราได้อยู่กับคนที่คิดดีพูดดีทำดี เราจะก็จะคิดดีพูดดีทาดีตามเขาไปพอได้ทาแล้วผลของการคิดดีพูดดีทำดีคือความสุขความเจริญความเป็นเศรษฐีมงคลก็จะเป็นผลตามมาถ้าเราครบกับคนไม่ดีคบกับคนโง่โคบกับคนไม่ฉลาดเขาก็จะคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดี เมื่อเราะคบกับเขาเขาคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเราก็จะคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีตามเขาเพราะเขาไม่รู้ว่าความดีเป็นอย่างไรเขามีความหลงไดคิดว่าการคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วจะให้เขาได้รับความสุขความเจริญความคิดอย่างไรที่เรียกว่าคิดไม่ดีก็คิด การกระทำบาปคิดในการเสพอบายยมุกนี่อันนี้เรียกว่าเป็นความคิดที่ไม่ดีอบายยมุกคืออะไรก็คือ 1. การเล่นการพนัน 2. การดื่มโซราญยาเมา 3. การเที่ยวเจริ 4. การครบคนไม่ดีเป็นมิตรและ 5. ความเกียดคร้านนี่คืออบายยมุก ที่คนไม่ดีจะคิดว่าดีและจะชอบทำกันคนโง่คนไม่ฉลาดนี่เขาจะชอบเล่นการพนันชอบเดิมสุรายาเมาชอบเที่ยวเตะชอบคบคนไม่ดีเป็นมิตรและชอบความเกียจคร้านแล้วก็นอกจากอบายลุกแล้วก็ยังมีกา ร, กรทำบาป คือการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดปรเวณีการพูดปดเศพและการเสพสุรายามังนี่คือการกระทำบาปที่คนโง่คนไม่ฉลาดจะคิดว่าเป็นการกระทำดีทำแล้วให้เกิดความสุขความเจริญขึ้นมาถ้าเราไปคบกับคนแบบนี้เขาก็จะชวนเราคิดแบบนี้ ชวนให้เราไปดื่มสุราเชื่ให้เราไปเล่นการพนันชวนให้เราไปเที่ยวเร่ชวนให้เราไปคบคนไม่ดีเป็นมิตรชวนให้เราเกียดครานแล้วก็ชวนให้เราไปทำบาปต่อไปเพราะการที่เราเสพอบายมุกนี้ไม่ได้เป็นการสร้าง เงินสร้างทองขึ้นมาอบายอมุกนี้มีแต่จะดูดทรัพย์ดูดสมบัติที่เรามีอยู่ให้หมดไปถ้าเล่นการพ น, นันไม่ช้าก็เล็วก็ต้องหมดเนื้อหมดตัวเดิมสุรายาเมาก็จะเมินเมาจะไม่ไปทำงานทำการมีแต่ใช้เงินใช้ทองแต่จะไม่มีรายได้ ถ้าเที่ยวเตะก็เช่นเดียวกันเที่ยวเตะก็ต้องใช้เงินทองเที่ยวแล้วก็ติดต้องเที่ยวอยู่เรื่อยๆก็จะไม่ทำงานจะชอบเที่ยวชอบเที่ยวชอบใช้เงินเงินทองมีมากน้อยไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องไม่พอใช้เพราะไม่ไปทำงานเช่นเดียวกับการเกียรติค้างการเกียครค้างก็ไม่ได้สร้างให้เกิดเงินเกิดทองขึ้นมา มีแต่ต้องใช้เงินใช้ทองไปเพราะว่าต้องมีค่าใช้จ่ายเช่นค่าอาหารค่าที่อยู่อาศัยค่าเครื่องนุ่งห่มค่าอะไรต่างๆจีปาทรก็มีแต่รายจ่ายไม่มีรายรับว่าความเกียจคร้านผู้ใดทำอบายมุขทั้ง5ประการนี้ก็จะมีแต่ความ เสียหายตามมามีแต่ความทุกข์ความเสื่อมตามมาแล้วพอเงินทองไม่พอใช้และไม่มีความสามารถที่จะไปทำงานทำการทำมาหากินเพื่อหาเงินทองมาได้ก็จะต้องหาเงินทองโดยวิธีทำบาปเช่นไปลักทรัพย์ไปป้นไปจี้และอาจจะต้องไปฆ่าผู้อื่น ถ้าเกิดการต่อสู้เกิดการขัดขวางกันขึ้นมานี่คือการกระทำที่ไม่เป็นมงคลที่จะเกิดขึ้นถ้าเราไปคบกับคนที่เขาชอบการกระทำเหล่านี้คบกับเขาเขาก็จะชวนเราไปทำสิ่งเหล่านี้เวลาเขาจะดื่มสุราเขาก็จะชวนเราดื่มเวลาเขาเล่นการพ น, นันเขาก็จะชวนเราเล่น เวลาเขาเที่ยวเตร่เขาก็จะชวนเราเที่ยวเตร่ถ้าเราเกรงใจเขากลัวจะเสียมิตรภาพก็ต้องทาตามเขาพอทาตามเขาแล้วความเสียหายต่างๆก็จะเกิดขึ้นตามมานี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้า ส, สอนว่าอย่าไปคบคนโง่คนไม่ฉลาดคนพานนีิภาษาพระแปลว่าคนไม่ฉลาด คนไม่รู้จักคุณรู้จักโทษไม่รู้จักนรกไม่รู้จักสวรรค์ไม่รู้จักบาปไม่รู้จักบุญไม่รู้จักกฎแห่งกรรมว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพราะว่าจะไม่สนใจเพราะว่ามองไม่เห็นผลของบาปของกรรมที่จะตามมาเพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในใจ เวลาทำไม่ดีเวลาทำบาปนี้ใจจะไม่สบายเหมือนคนไม่สบายแล้วก็ตายไปก็จะต้องไปใช้เวรใช้กรรมในอบายซึ่งคนไม่ฉลาดนี้หรือคนธรรมดาอย่างพวกเรานี้จะไม่สามารถรู้ได้มองเห็นได้เพราะเราไม่มีตาทิพตาในเหมือนกับคนฉลาด เราจึงต้องเข้าหาคนฉลาดคนฉลาดก็คือคนที่รู้จากบุญจักบาปรู้นรกรู้สวรรค์รู้ขุนรู้โทษซึ่งก็ไม่มีใครจะรู้ดีเท่ากับพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกการมาวัดหนึ่งเป็นการมาเข้าหาบัณฑิตเข้าหาผู้รู้หาคนฉลาดซึ่งพวกเราที่ยังไม่ฉลาดนี้ ก็เปรียบเหมือนกับคนที่ยังตาบอดอยู่คนที่ยังตามืดตามัวอยู่เราก็ต้องเข้าหาคนตาดีอาศัยคนตาดีนําทางคนตาดีก็คือพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายถ้าเรามาวัดเราก็จะได้มาพบกับพระพุทธเจ้าหรือผู้แทนของพระพุทธเจ้าคือพระอาหารหันตสาวก และพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับได้มาพบกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพระธรรมคําสอนของเรานี่แหละจะเป็นศาสดาแทนเราต่อไปจะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปพวกเธอถ้าได้ยินได้ฟังธรรมก็เท่ากับได้ยินได้ฟังจากตัวเราเลยนี่คือการเข้าหาบัณฑิต พอเข้าหาบัณฑิตแล้วเราก็จะได้ทำตามบัณฑิตบัณฑิตนี้จะไม่ทำบาปจะไม่เสพอบายมุขจะไม่เล่นการพนันไม่เสพสุรายาเมาไม่เที่ยวเตร่ไม่มีความเกียดคร้านไม่ชอบคนไม่ดีเป็นมิตรไม่ทำบาปไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดนี่คือ คนลักษณะของคนฉลาดของบัณฑิตคนบัณฑิตจะชอบทำบุญชอบทำประโยชน์ชอบช่วยเหลือผู้อื่นชอบทำสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ทั้งกับตนเองและกับผู้อื่นชอบปฏิบัติธรรมชอบฟังเทศฟังธรรมถ้าเราครบกับบัณฑิตเขาก็จะชวนเรามาทางนี้ชวนเรามาปฏิบัติธรรมชวนเรามาฟังเทศฟังธรรม เวลาฟังเทศฟังธรรมเราก็จะได้ยินได้ฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนอย่างวันนี้เราก็ได้ยินได้ฟังเรื่องของมงคลความเป็นมงคลว่าเป็นอย่างไรความเป็นมงคลก็คือการไม่คบคนคนโง่คนพาลให้คบคนฉลาดให้คบบัณฑิตนี่คือธรรมที่เราจะได้ยินถ้าเรามาฟังบ่อย เราจะได้ฟังครบ38มุงคลเลยสูตรแห่งการนำชีวิตให้ไปสู่ความสุขความเจริญเป็นเหมือนขั้นบันไดที่เราจะเดินขึ้นไปตามลำดับถ้าเราศึกษาฟังเทศฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมะของพบตพเจ้าเราก็จะเป็นคนฉลาดขึ้นมาเราก็จะรู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่ว รู้คุณรู้โทษรู้บากรู้บนรู้นรกรู้สวรรค์รู้กรรมรู้วิบากของกรรมว่าเวลาทาบุญแล้วจะได้ไปรับผลอย่างไรเวลาทาบาปแล้วจะไปได้รับผลอย่างไรถ้าไม่เข้าหาบัณฑิตไม่เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะไม่ได้รู้เรื่องราวแ่งนี้เพราะเรื่องราวแ่งนี้ไม่ค่อยมีคนรู้กัน ถ้าอยู่ที่บ้านก็ไม่มีใครรู้อยู่ที่ทำงานก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครพูดถึงเรื่องนลกเรื่องสวรรค์เรื่องบุญเรื่องกรรมเรื่องบาปกันจะรู้แต่เรื่องเที่ยวกันเที่ยวกันนี่ถามเลยไปเที่ยวที่ไหนจะมีคนแนะนำเราตลอดเวลารู้จักเรื่องการใช้เงินรู้จักเรื่องการไปเสพสุรายาเมารู้จักสถานที่เล่นการพนัน รู้จากเรื่องราวที่ไม่ดีทั้งหลายยังไม่ค่อยรู้เรื่องราวที่ดีกันเราจึงต้องเข้าวัดกันวัดนี้เป็นเป็นที่อยู่ของบัณฑิตเวลาเข้าวัดแล้วจะได้พบกับคนดีแล้วเขาก็จะชวนให้เราทําความดีอย่างวันนี้มาวัดเราก็จะได้มาปฏิบัติธรรมกันมาฟังเทศฟังธรรมกัน ซึ่งเป็นการกระทําที่มีคุณมีประโยชน์และนําความสุขและความเจริญมาให้แก่ชีวิตของเราพระพุทธเจ้าท่านได้พบกับความสุขความเจริญขั้นสูงสุดแล้วแล้วท่านก็มาสอนมาบอกพวกเราวิธีที่จะทําให้พวกเราได้พบกับความสุขความเจริญที่สูงสุดความสุขความเจริญที่ไม่มีความทุกข์ ความสุขความเจริญที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดถ้ายังมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็ยังถือว่ายังไม่ถึงความสุขความเจริญที่แท้จริงเช่นให้ได้เป็นมหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านก็ยังต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายหมยเพราะว่าการเป็นเศรษฐีนี้ไม่สามารถที่จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้ การจะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้นี้ต้องบรรลุเป็นพระอรหันต์และการจะเป็นพระอรหันต์ได้ก็ต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราเสียสละทำทานมีเงินทองที่เรามีมากเกินไปอย่าเอาไปซื้อของต่างๆตามความอยากเพราะจะเป็นโทษกับจิตใจ เพราะจะทำให้กลับมาต้องเวียนว่ายตายเกิดให้เอาเงินทองไปใช้ในวิธีที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดก็คือเอาไปสงเคราะห์เอาไปช่วยเหลือผู้อื่นเห็นใครเดือดร้อนตกทุกข์ได้ยากขาดแคลนเรามีเหลือกินเหลือใช้ก็เอาไปแบ่งให้กับเขาใช้เงินแบบนี้แล้วจะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตาย แต่ถ้าใช้เงินซื้อของตามความอยากต่างๆอยากได้เสื้อผ้าก็ซื้ออยากได้รองเท้าก็ซื้ออยากได้กระเป๋าอยากได้อะไรก็ซื้อทั้งๆที่ไม่จำเป็นจะต้องซื้อถ้าจำเป็นไม่เป็นไรถ้าจำเป็นเช่นเสื้อผ้าขาดหมดแล้วไม่มีใส่ต้องซื้อใหม่อย่างนี้ซื้อแบบนี้ไม่เป็นความอยากไม่เป็นการสร้างภพสร้างชาติ จะซื้อเพราะเพราะอยากได้เพราะเห็นว่าสวยทั้งทั้งที่มีเหลือมีมีเสื้อผ้าอยู่เต็มตู้แล้วแต่พอเห็นเสื้อผ้าในร้านก็อยากจะซื้อขึ้นมาถ้าซื้อแบบนี้จะเป็นการตอบพบตอชาเพราะซื้อด้วยความอยากพบชาตินี้เกิดจากการมีความอยากถ้ามีความอยากก็ต้องกลับมาเกิดใหม่เวลาร่างกายนี้ตายไปแต่ความอยากซื้อของยังไม่หมด ก็ต้องกลับมาเกิดใหม่มาหาร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายอันใหม่นี้ไปซื้อข้าวซื้อของใหม่ไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกใหม่พระพุทธเจ้าจึงสอนว่าอย่าเอาเงินทองไปซื้อสิ่งที่ไม่จําเป็นให้ซื้องเฉพาะสิ่งที่จําเป็นเช่นปัจจัยสี่ซื้ออาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่อนนู่นหน่มถ้าไม่มีถ้าขาดแคลน ถ้ามีพอเพียงแล้วก็ไม่ต้องซื้อแล้วก็เอาเงินที่เหลือนี้ที่ไม่จำเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้ซื้อของจำเป็นนี้เอาไปทาบุญเอาไปสร้างมิตรภาพเอาไปตัดภพตัดชาติเวลาเราทาบุญช่วยเหลือคนอื่นนี้เราจะมิเราจะมีเพื่อนมีคนที่เขาจะรักเราชอบเราและเขาจะมาปกป้องคุ้มครองรักษาเราต่อไป เวลาที่เราตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเราจะมีคนมาดูแลมาช่วยเหลือเราแต่ถ้าเราเอาเงินทองไปซื้อข้าวของเวลาเราตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนข้าวของที่เราซื้อมานี้จะไม่มาปกป้องคุ้มครองไม่มาดูแลช่วยเหลือเราเพราะฉะนั้นให้รู้จักการใช้เงินที่ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์อย่าใช้เงินให้มันเกิดโทษขึ้นมา การใช้เงินตามความอยากนี้เป็นการทําให้เกิดโทษไม่เกิดคุณไม่เกิดประโยชน์เสียเสียเงินทองไปเปล่าๆตายไปก็จะต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายใหม่แต่ถ้าใช้เงินเพื่อตัดความอยากไม่ทําตามความอยากเวลาตายไปก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่นี่ข้อที่หนึ่งคือการทํำทานข้อที่สองให้เราอย่าทําบาป พราะทำบาปแล้วก็จะทำให้เราต้องไปใช้กรรมในอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเกิดเป็นเปรตไปตกนรกไปเกิดเป็นอสุรกายนี่คือที่ไปของผู้กระทำบาปเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดเศษสุรายาเมาอยากทำบาปแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปเกิดในอบาย แล้วก็ข้อที่สามก็ให้เรามาปฏิบัติทรมานั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์ทำใจให้สงบถ้าใจสงบความอยากก็จะไม่มีถ้าไม่มีความอยากก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปนี่คือคาสอนของบัณฑิตการกระทาของบัณฑิตพระพุทธเจ้าได้ทำอย่างนี้มาแล้วได้ทำทานมาแล้วได้สละราชทรัพย์ไปแล้ว ได้รักษาศีลแล้วไม่ทำบาปแล้วได้ปฏิบัติธรรมแล้วได้ทาใจให้สงบและได้ใช้ปัญญาตัดตัณหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจแล้วพระพุทธเจ้าเลยไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกับพวกเราอีกต่อไปพวกเราถ้ายังไม่ได้ทำทานไม่ได้รักษาศีลไม่ได้ปฏิบัติธรรม เราก็ยังจะต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปและจะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันจบสิ้นการเกิดแก่เจ็บตายนี้ไม่ดีเพราะอย่างไรเพราะไม่มีใครชอบแก่กันไม่มีใครชอบเจ็บไข้ได้ป่วยกันไม่มีใครชอบความตายกันเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายจึงทุกข์ทรมานมาก แต่ถ้าไม่มีความอยากก็ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายและขนะที่แก่ก็จะไม่ทุกเวลาเจ็บก็จะไม่ทุกเวลาตายก็จะไม่ทุกถ้าไม่มีความอยากเพราะความทุกข์นี้เกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนั่นเองถ้าเราปฏิบัติทําได้เราจะสามารถหยุดความอยากไม่แก่ความอยากไม่เจ็บ ความอยากไม่ตายดาถ้าเราหยุดมันได้เวลาเราแ ก, เา ก, เาเาเก่เราจะไม่ทุกข์เวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะไม่ทุกข์เวลาเราตายเราจะไม่ทุกข์เพราะความทุกข์มันเกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายไม่ใช่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายเช่นพระพุทธเจ้าพระอหรหันต์นี้ท่านไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตาย เวลาร่างกายแก่ท่านก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยท่านก็ไม่เดือดร้อนเวลาร่างกายตายท่านก็ไม่เดือดร้อนเพราะท่านหยุดความอยากได้ความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้นี่คือปัญหาของพวกเราคือความอยากทุกวันนี้พวกเราที่ทุกข์กันไม่ใช่เพราะว่าไม่พอกินไม่พอใช้ทุกข์เพราะอยากได้มาก ได้มาเท่าไหร่ก็ยังไม่พอทุกเพราะไม่อยากเสียได้มาแล้วก็ไม่อยากเสียเวลาเสียก็ทุกเวลาเงินถูกเขาขโมยไปก็ทุกแต่ไม่รู้ว่าไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งก็ต้องเสียหมดอยู่ดีเกิดมาแล้วเวลาตายไปมีเงินทองเท่าไหร่ก็ต้องเสียไปหมดถึงไม่อยากจะตายกันเพราะเสียดายเงินเสียดายทองกันเวลาตายจึงต้องทุกข์มาก เวลาเสียเงินเสียทองจึงต้องทุกข์กันแต่ถ้าปฏิบัติธรรมแล้วก็มีปัญญาก็จะรู้ว่าได้มาเท่าไหร่ก็ต้องเสียไปเท่านั้นเพราะว่าไม่มีอะไรเป็นของเราในโลกนี้เวลาเรามาเรามาตัวเปล่าๆไม่ได้เอาอะไรติดตัวมาเลยนอกจากบุญกบปที่เราได้ทำไว้แล้วก็เวลาไปก็ไม่ได้เอาอะไรติดตัวไป นอกจากบุญกับบาปที่เราได้ทำกันไว้ในชาตินี้นี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องปฏิบัติจะต้องสอนใจให้เข้าใจและให้เห็นความจริงถ้าเราเห็นความจริงว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจได้เตรียมตัวเตรียมใจรับกับความตายได้รับกับความแก่ได้รับกับความเจ็บได้นับด้วยความไม่ทุกข์ด้วยความไม่อยาก แก่ด้วยความไม่มีความไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายรับรองได้ว่าจะไม่ทุกข์แต่ถ้ายังอยากอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยู่เวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายจะทุกข์มากดังนั้นขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วพยายามทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมันทำทานอยู่เรื่อยๆมันรักษาศีลอยู่เรื่อยๆ หมั่นฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆและหมั่นปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอยู่เรื่อยๆแล้วร่ำลองได้ว่าต่อไปเราจะไม่มีความทุกข์กับเรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับเราเราจะมีแต่ความสุขและเราจะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่คือผลที่เราจะได้รับจากการคบบัณฑิตไม่คบคนพาลเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิต การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตะนใจและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้ยงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกภยัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง โดยทั่วหน้าการเธอ